ดอกบัวสามก ร, รมจงมีแก่ดิฉันข้าแต่ท่านลือีดอกบัวนี้จงเสมอด้วยกับท่านเพื่อประโยชน์แก่พระโพธิญาณของท่านรือสีสุเมต ร, รับดอกบัวแล้วบูชาพระพุทธเจ้าทีปังกรและได้พยากรรือสีสุเมตรแล้วทรงพยากรพระนางด้วยว่าโดยก่อนลือีผู้ใหญ่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 ถ้าคุณความดีของเรามีอยู่พระลูกเจ้าก็จะเสด็จมาหาเราหากเสด็จมาเราจะถวายบังคมครั้งนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงให้พระราชารับบาศจากพระองค์แล้วได้เสด็จไปยังห้องบรรทมของพระนางพร้อมด้วยพระอร拉สาวกทั้งสองก่อนเข้าไปก็ได้ตรัสกับท่านทั้งสองว่าให้พระราชธิดาวหายตามชอบใจพวกเราไม่ควรกล่าวอะไร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 เอาเถอะเราจะให้อริยทรัพย์เจ็ดประการที่เราได้แล้วที่โพธิมณฑลแก่กุมานี้เราจะทากุมานี้ให้เป็นเจ้าของทรัพย์มรดกอันเป็นโลกุตระแล้วตรัสให้พระสารีบุตรบวชเป็นสมเนรให้ราหุนกุมารบวชแล้วพระราชาทรงเกิดความทุกข์ใหญ่ที่เสียหลานคือพระนัต ด, ดาผู้สามารถจะสืบทอดวงได้ เสด็จเข้าเฝ้ากราบโทนขอไม่ให้พระผู้เป็นเจ้าทั้งหลายบวชให้กุลบร ท, ที่มารดาบิดายังไม่ได้อนุญาตซึ่งพระองค์ก็ไม่ทรงมีพระบัญญัติห้ามแล้วออกผนวดเพื่อเห็นพระสวามีและพระโอรสอธิกถาเล่าว่า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 พระนางจริงเสด็จไปบวชที่สำนักภิกษุณีทรงเกิดอาพาธได้สัมมเนรราหุนดูแลหลังบวชเป็นภิกษุณีแล้วครั้งหนึ่งพระเถรีอาพาธด้วยโรคลมกำเริบราหุนสัมมเนรเยี่ยมท่านก็ออกมาพบไม่ได้ภิกษุณีอื่นก็ได้แจ้งว่า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 ในวันรุ่งขึ้นพระเถระพาสมเณรไปยังโรงฉันให้นั่งรออยู่และตัวท่านก็ไปที่ประตูพระราชวังพระเจ้าเะเสนที่โกศลเห็นแล้วนิมนต์ให้นั่งขณะนั้นคนดูแลอุทยานนามะม่วงสุกพวงหนึ่งมาถวายพระราชาทรงปอกเปลือกและใส่น้ําตากลกรวดลงไปขยามด้วยพระองค์เองแล้วถวายลงในบาทของพระเถระ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 กายามิเตพระชาโนอปิพาโลบันดิตโตอสสะพระมุนีกล่าวสรรเสริญความเป็นผู้มีกลยานมิตรไว้เฉพาะชาวโลกว่าผู้คบกลยานมิตรถึงแม้จะเป็นผานก็จะพึงเป็นบันดิตได้บ้างพระชิตัพาสัปปุริสาปัญญาตถาวัถติพระชันตานังพระชาโนสัปปุริเส